บทที่14ฝืนใจพรฤหัสพบกับความประหลาดใจยิ่งเมื่อพยายามโทรศัพท์เข้ามือถือของอเวราแล้วไม่มีการรับสายเขาเชื่อว่าหล่อนจงใจไม่รับเพราะติดต่อกี่ครั้งก็เงียบตลอดอีกทั้งไม่มีการโทรกลับมาเลยด้วยคิดถึงหล่อนรู้สึกติดเนื้อต้องใจทั้งร่างหล่อนเหมือนเต็มไปด้วยเมนูอาหารรสเด็ดที่ลองลิ้มครั้งเดียวไม่เคยพอ แต่ดูท่าทางหล่นคงประมาะเอามากเหมือนจะปิดประตูสู่ทางชิมพลีใส่หน้าเขาเสียแล้วซึ่งเหตุก็คงเพราะความต่างวัยนั่นเองเชื่อมั่นในสเสน่ห์ของตนเองมาตลอดไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนหยุดพิสวาดเข้าได้โดยเฉพาะถ้าผ่านมือเข้ามาแล้วสักครั้งพอห่างหายจะต้องดิ้นทุรนทุรายเหมือนโดนสเสน่ยาแฝดทุกรายไป หลายวันมานี้พระหัดยุ่งยุ่งอยู่กับการสับรางแวะเวียนไปหาสาวคนน้นทีคนนี้ทีทั้งโลกเต็มไปด้วยสาวเนื้อหวานรอให้เขาเชือดความทนงตนทำให้เขาไม่พยายามติดตามเอาเวลาเป็นพิเศษเพราะคิดว่าในที่สุดหล่อนก็ต้องเป็นฝ่ายมาหาเขาเองของอร่อยเคยกินแล้วจะไม่อยากกินอีกได้อย่างไรแต่จนแล้วจนรอดล่วงเข้าวันอาทิตย์ก็ยังไร้วี่แวว ช่วงเช้าพระรหัสจึงเป็นฝ่ายอดรนทนไม่ได้เสียเองต้องออกโรงพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงเสียหน่อยว่าระดับสเสน่ห์ของตนตกหล่นลงไปแล้วหรืออย่างไรกันยืมรถพ่อแต่พ่อไม่ให้ถูกด่าเสียอีกว่าเพิ่งจ่ายค่าซุ่มซ่ามยังไม่พอจะหาเรื่องเสี่ยงมากกว่านี้อีกหรือ เด็กหนุ่มจึงจำต้องก้มหน้าก้มตาเดินไปหาสาวเพราะสภาพจักรยานที่บ้านเก่าสมซ่อจนทำให้เสียบุคลิกแน่ยามสาวเห็นเขานั่งคร่อมมันอยู่กดออดและยืนคอยเขารู้สึกมาตลอดถึงรัศมีกายแห่งตนที่มีความสว่างบันเจดิดเตะตาเตะใจและสามารถบรรดาลให้สาวยินดีปรีดาในทันทีที่เห็นประมาณว่าเขาสัมผัสถึงความอยากกรีดด้วยความริงโลดของพวกหลอนเสมอมา ทว่าครั้งนี้เด็กหนุ่มรู้สึกเกอ้อๆชอบกลนแม้รถของอเวราจอดอยู่เห็นๆแต่บ้านก็เงียบและไร้วี่แววต้อนรับใดๆเพื่อหัดรู้สึกว่าตัวเองกระจอกลงและรังสีสเสน่ห์ก็หดสั้นไม่เป่งประกายกว้างขวางดังเคยกดอ่อนสามสามหนในเวลาที่ห่างกันพอประมาณกระทั่งชักเริ่มหงุดหงิดจิงตะโกนเรียกพี่เค้กพี่เค้กครับ เรียกหนึ่งครั้งไม่โผล่ออกมาพระหัสก็เรียกซ้ำอีกกะว่าทนได้ก็ทนไปจะโก่งคอเรียกให้ชาวบ้านแตกตื่นอยู่อย่างนี้แหละพอเรียกหนักๆเข้าคนงามก็โผล่ออกมาจนได้เห็นเอาเวลาขมวดคิ้วนิ้วหน้าแล้วพื่หัสเพิ่งรู้ตัวในบัตรนั้นว่าเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงหล่อนอยากพบหล่อนในขณะที่หลอนไม่คิดถึงเขาไม่อยากพบเขาเลยมันทาให้จิตใจห่อเหี่ยวลงและ ริมฝีปากระบายยิ้มเจือนชอบกลมีธุระอะไรเหรอยญิงสาวยืนถามมาจากระยะห่างๆไม่มีคำทักไม่มีท่าทียินดีต้อนรับซึ่งก็ทำให้พระหัตย์ยิ้มเย็นและหน้าด้านพอที่จะตอบดังๆธุระไม่มีมีแต่ความคิดถึงเป็นอะไรไหมโดนตีรวนเข้าเช่นนั้นอเวราก็ชักฉิวถึงแม้ไม่มีใครอยู่แต่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ต้องได้ยินซึ่งถ้าใครชเง้อชะแงดูก็ต้องรู้ว่า มีเด็กรุ่นน้องมาติดพันหลอนกับทั้งพูดจาส่อสัมพันธภาพที่สนิทสนมเกินเลยคนรู้จักธรรมดาหลอนไม่เคยมีภาพเช่นนั้นให้เพื่อนบ้านเห็นเดินไปที่รั้วไม่ช้าไม่เร็วพยายามสงบอารมณ์ก่อนกอดอกพูดกระชับสั้นแต่ได้ใจความชัดเจนต่อยอย่ามาที่นี่อีกเราไม่ควรครบกันเอพะพฤหัแสแ้งเบิกตาทำหน้าโงน เสควากกระเป๋าสตางค์ออกมาเปิดพึมพำกับตนเองคล้ายมีโพยให้อ่านดวงบอกว่าคบได้นี่ว่าเอาเวลาเกือบขำแต่สะกดไว้ด้วยการกัดริมฝีปากตนเองและฝืนทำหน้าขรึมพี่แก่กว่าเธอพี่ควรเป็นฝ่ายขอโทษและขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะเธอมีทางที่เหมาะของเธอพี่มีทางที่เหมาะของพี่ที่ผ่านมาคือความผิดพลาดและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกพฤหัสเกาหัว คิดเองหรือเปล่าคำพูดเนี่ยคิดเองแล้วคิดนานไหมก็ไม่นานนักหางเสียงเริ่มอ่อนแต่พอรู้สึกตัวก็เชิดหน้าบังคับเสียงให้เข้มขึ้นพี่พูดจากใจเราไม่เหมาะจะเป็นอื่นนอกจากพี่น้องแต่ในเมื่อมันเริ่มต้นผิดที่ผิดทางก็แปลว่าควรยุติลงก่อนที่ใครจะต้องเสียใจทีหลังเพื่อหัดเก็บกระเป๋าก้มหน้าสลดหน้าเซงตรงที่เขาว่าเขาเศร้าจริงไม่ใช่เสแสร้ง แกล้งเศร้าเพื่อให้อีกฝ่ายสงสารนาทีนั้นเพื่อหัดเห็นค่าของหล่อนขึ้นมาเพราะแน่ใจว่าตนเสียดายจากหัวใจไม่ใช่แค่ทวิหนหาการมรดบนเตียงนอนนั่นอาจเป็นครั้งแรกๆที่เขารู้จักเสียดายโอกาสทำความรู้จักกับผู้หญิงดีๆคนหนึ่งยิ่งกว่าเสียดายเรือนร่างอันเป็นวัตถุกรรมประการเดียวพี่เคก้กเงยหน้าขึ้นเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังเป็นครั้งแรก ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะแต่ผมรักพี่แล้วก็ไม่ได้อยากคบพี่เพื่อหวังโกบโกยในเรื่องพันนั้นท่าเดียวหรอกเอาเวลาอ่ำเอึอกแต่เพียงครู่ก็รวบรวมกําลังใจจนเข้มแข็งได้ความรักของเธอจะไม่นําพี่ไปไหนนอกจากเรื่องพันนั้นเธอคบกับคนวัยเธอไปเถอะความจริงก็คือพี่แค่ใช้เธอเป็นเครื่องแก้เหงาแต่ตอนนี้ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นนังหน้าด้านอย่างนั้นอีก เพื่อหัดพยักหน้าคล้ายปร่งตกผมรู้ว่าผมยังเด็กยังไม่มีความสามารถเลี้ยงดูพี่เคก้กแล้วก็คิดอะไรไม่ได้ยาวกว่าเอาสนุกไปวันวันงั้นถือว่าผมเป็นน้องได้ไหมให้มานั่งดีดกีต้าร์เล่นที่บ้านพี่เค้กบ้างหญิงสาวโครงศีรษะมาบ้านพี่เพื่อร้องเพลงนะ่ะไม่ให้ความรู้สึกว่าเธอเป็นน้องหอกแต่เป็นหนุ่มมาจีบมาหวานสเสนสร้างความผูกพันเชิงชู้สาวมากกว่า พี่ผ่านมาหมดแล้วเคยได้เห็นได้ยินมาหมดแล้วและไม่กระตือรือร้อนกับบรรยากาศวื้อหว้าที่จะผ่านไปเหมือนไฟไม่ฟางทํานองนี้อีกพี่กำลังตั้งตารอคนที่เป็นตัวจริงแล้วก็รู้แต่แรกว่าเธอไม่ใช่ส่วนเธอเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็พอเถอพะพืหัสเม้มปากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาง้อผู้หญิง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาง้อผู้หญิงด้วยความรู้สึกว่าอาจไม่ประสบความสำเร็จมันทำให้หดหูและเห็นราคาของตัวเองตกต่ำลงอีกนั่นเป็นสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับคนเคยเห็นราคาของตนสูงลิบความเจ็บใจเกือบทำให้หลุดปากพูดแรงๆออกไปแต่ก็ยับยั้งได้ด้วยการนับหนึ่งถึงหาทางออกที่ไม่ทำให้ดูหมดท่ามากกว่านั้น ผมเข้าใจว่าพี่เค้กก็รู้สึกดีกับผมระหว่างเราไม่ได้มีแค่เรื่องที่พี่เค้กบอกว่าผิดพลาดแต่ยังมีเรื่องถูกต้องที่อธิบายยากอยู่ด้วยเห็นกันครั้งแรกผมก็แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวเอาเวลาเกือบเคร้มแต่ก็กัดลิ้นตนเองแรงๆให้กระแสความหวามไวยุติลงก่อนลุกลามเกินห้ามเธอผิดพลาดด้วยการส้มซ่ามเปิดประตูพรวดพลาด ไม่อย่างนั้นอะไรๆจะถูกต้องในทางของมันต่อไปเราจะไม่พบกันแล้วก็จะไม่มีเรื่องที่พี่ต้องรู้สึกอายจนแทบไม่อยากมองตัวเองในกระจกเหมือนอย่างที่ผ่านมาผมขอเข้าไปนั่งคุยได้ไหมแค่นั่งคุยกันจริงๆไม่เอาเธอหน้านะครับพี่เคก้กเธอนั่นแหละกลับไปเธอนะจ๊ะเด็กหนุ่มบรรดาโทสะขึ้นมาวูบหนึ่งเหมือนอยากอาลวาดใช้กาลังเขย่าประตูรัว้ว แต่อะไรบางอย่างในตัวเอเวรายับยั้งเขาไว้เพียงฉิวเฉียดและกลับใจเย็นลงได้อย่างน่าประหลาดโอเคเขาผายมือง่ายๆคล้ายยอมแพ้และรับสภาพทุกประการงั้นผมไปละที่ผมบอกว่ารักพี่ผมไม่ขอถอนนะถึงจะเสียฟอร์มไปหน่อยหลงรักเข้าข้างเดียวก็อย่างนี้แหละเนอะถูกไล่ก็ยังทนหน้าด้านยืนงออยู่ได้เอาเป็นว่าต่อไป ผมจะคอยมองตอนพี่เค้กขับรถผ่านหน้าบ้านทุกวันถ้ายังไงพี่เค้กช่วยบีบแตรเหมือนตอนผ่านสารเจ้าหน่อยก็ดีผมจำเสียงได้และจะยื่นหน้าออกมาดูในตาโศกแต่ฝืนยิ้มหวานโบกมือให้เอเวราเหมือนฉากจากลาครั้งสุดท้ายเอเวราสะอึกอึ้งขยับตัวนิดหนึ่งเมื่อพระหัสหันหลังพระจากไปอย่างง่ายดายเกินคาดรู้สึกถึงสายใยผูกพันที่ยังเหนียวแน่นยังอยากพูดคุยกับเขาต่อ และยังอยากแม้กระทั่งขอแผ่นอกอบอุ่นของเขาเป็นหลักแหล่งซบอิงแต่บางสิ่งบางอย่างสมควรห่างหายไปจากชีวิตและหล่อนก็จะปล่อยมันไปเหมือนส่งนกบินขึ้นฟ้าเมื่อถึงเวลาของมันอเวลาจึงขบปริมฝี ป, ปากสั่งตนเองให้ตัดใจซ้ำสองน้ำตารื้นนิดเดียวขณะกลับหลังหันเข้าบ้านวันนี้สมาชิกทุกคนในบ้านออกข้างนอกกันหมดและหล่อนเองก็รับนัดหนุ่มคนหนึ่งไว้ เขากำลังจะมารับหล่อนไปดูหนังรอบบ่ายด้วยกันบวรพ์เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ยังคงเฝ้าฝันรอคอยหล่อนไม่เลิกลาเขาเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่เคยจากหายยังส่งของขวัญวันเกิดให้ทุกปียังโทรศัพท์มาสวัสดีปีใหม่ทุกครั้งแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นเสมอเมื่อหล่อนต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆฉะนั้นเมื่อวานพอเขาโทรศัพท์มาถ่าถามสารทุกสุขดิบอีก บวรพ์ก็ได้รางวัลเลขท้ายสองตัวครั้งแรกก่อนวางสายหล่อนเป็นฝ่ายชวนเข้าดูหนังที่เพิ่งเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ด้วยตนเองเลยทีเดียวบวรพ์เป็นคนดีขยันทำงานไม่เจ้าชู้แต่เขาก็เหมือนกับมาโนธเหมือนกับเอกราชเหมือนกับสิทธิกรคือโดยรวมแล้วน่าเชื่อว่าจะเป็นพ่อบ้านที่ดีเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นขาดสิ่งที่น่าปรารถนา นั่นคือภาพลักษณ์แห่งความเป็นพระเอกตัวจริงของหล่อนพวกเขาไม่เคยให้ความรู้สึกว่าใช่เลยแม้แต่นิดเดียวแย่สิ้นดีอีกหลายปีกระมังกว่าหล่อนจะรู้จักยอมรับความใช่ที่แท้จริงเยี่ยงผู้ผ่านโลกมานานพอวันนี้หล่อนยังเด็กเกินไปยังมีหัวใจระอุไฟฝันยังยึดมั่นอยู่กับเหล่าเจ้าชายรูปงามที่ให้ความรู้สึกว่าใช่แต่ที่แท้ ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเสือผู้หญิงซึ่งหิวโหวยรสชาติแปลกใหม่ไม่รู้จบนั่งจมตัวลงกับโซฟาอย่างปรารถนาให้ทั้งร่างถูกอกอกอดด้วยสัมผัสอบอุ่นก้มลงยกมือปิดหน้าแล้วก็รู้สึกถึงน้ำใสที่รินออกมารถฝ่ามือแย่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือความจำใจยอมรับว่าโซฟายังอบอุ่นน้อยกว่าอ้อมกอดของผูหัสมากนะัก รู้สึกเสียดายหากเขาทนเตื้ออีกหน่อยเดียวหล่อนคงยอมปล่อยให้เข้าบ้านแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจมทุกข์อยู่อย่างนี้หล่อนจะเป็นคนดีไปทำไมรักนวลสงวนตัวไว้เพื่อใครและจะต้องเป็นแม่พระที่รู้จักหักห้ามใจไปอีกนานเท่าไหร่กันรสิรินบอกหล่อนว่าการทำสมาธิจะช่วยให้เกิดสุขอิ่มใจแทนที่ความเปลี่ยวเหงาเอาเวลาก็พยายามทาแต่เหมือนนางบาปยิ่งพยายาม กลับยิ่งกระหายสัมผัสจากมือชายหล่อนเกลียดตัวเองและรู้สึกว่าตนเป็นผู้หญิงส ก, กรปรกยังไม่สะอาดพอจะย่างก้าวเข้าสู่โลกที่สะอาดปราศจากมลทินกับใครเขาเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเอาเวลาปล่อยให้ดังอยู่สองสามครั้งจึงค่อยหยิบมาดูแต่พอเห็นชื่อต่อยปรากฏบนหน้าจอก็ดีใจแทบกระโดดยุติอาการสะอื้นลงทันทีว่าไง แม้ดีใจแค่ไหนก็ต้องลากเสียงเหนื่อยนายเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงไว้ก่อนผมรักพี่เค้กนะเหมือนกระแสนุ่มเย็นลึกซึ้งหลังรีนจากโทรศัพท์ฉลมรถถึงกลางอกหญิงสาวขอบตาร้อนเผาเม้มปากแน่นก่อนยอมตนเป็นว่าวที่สายป่านขาดหลุดลอยไปกับสายลมบนตามยถากรรมรักพี่ก็มาอยู่กับพี่สิ สิ้นคําอเวราก็กดปุ่มปิดทิ้งโทรศัพท์ลงกับที่ว่างข้างกายซบใบหน้าลงกับฝ่ามือสะอื้นให้รุนแรงจนตัวโยนเยี่ยงผู้แพ้ที่อ่อนแอและไม่เคยเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงวันอาทิตย์สำหรับเหล่าธิดาผู้มีอันจะกินกลุ่มสามสาวน้อยมารวมตัวกันในห้องนอนเย็นฉ่ำของนัชาเลเดิมทีมีเจตนามาช่วยกันทารายงานส่งอาจารย์แต่ดูเหมือนัชาเลเท่านั้น ที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและพิมพ์งานง่วนฝ่ายเพื่อนเหมือนมาให้กำลังใจมากกว่าอย่างอื่นเพราะจนล่วงเข้าชั่วโมงที่2ปาเจราก็ยังคงนอนผังภาพอ่านกระตูนอยู่บนเตียงส่วนใบยกก็นั่งเล่นเกมกดสลับกับการพยายามขอเล่นกับเจ้าอุ้ยโหยทว่าเจ้าอุ้ยโหยเอาแต่ม้วนตัวซุกหลบในซอกโตพอใบยกห่างไป ถึงจะโผล่หน้าออกมาและตะกุยขาน้เลให้อุ้มมันขึ้นหมอบบนตักใหม่ครั้งหนึ่งปาเจราเงยหน้าขึ้นจากหนังสือการ์ตูนถามน้เลด้วยท่าทางเบื่อบรรยากาศจำเจเธอไม่ชวนแฟนมาช่วยทำรายงานละซายเขาเก่งไม่ใช่หรอทำแป๊บเดียวคงเสร็จบ้าบอกกี่หนกี่ครั้งว่าไม่ใช่แฟนน้เลดุเพื่อนแบบไม่จริงจังนะักเรื่องของจองเริเป็นที่สนใจของซีเป็นอย่างยิ่ง แม้ผ่านมาหลายวันทั้งสองยังคงชวนคุยเฟื่องเรื่องอัศวินม้าขาวผู้เก่งกาจไม่ขาดปากเอาตัวเป็นๆมาให้ดูหน่อยดีเพื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกี่ยวกับคอมจะได้พึ่งพาอาศัยได้บ้างห่วงไว้คนเดียวไม่เรียกว่าแฟนแล้วจะเรียกอะไรไม่ได้ห่วงแต่ซายไม่สนิทกับเขาขนาดนั้นหรอกห่างหน้ากันไปหลายปีอาศัยแต่ความเป็นเพื่อนสมัยเด็กจะให้ลากตัวมาช่วยทารายงานเลยเหรอ ความจริงจองเริกกำชับไว้ว่าอย่าแ พ, พร่งแายเรื่องของเขาเพราะการเป็นแฮกเกอร์ไม่ใช่เรื่องหน้าเปล่าประกาศอวดโก้เก๋วันหนึ่งเกิดคดีเกี่ยวกับการจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆขึ้นมาบรรดาแฮกเกอร์ชื่อดังจะตกอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยของตำรวจเป็นรายแรกๆเสมอใบยกส่งเสียงทั้งยังจดจ่ออยู่กับเกมกฎเหหน้าเข้าหลงก็หลอกใช้ซะจะเป็นายไปเล่า เสียงยุที่เล่นทีจริงของใบห ย, ยกทำให้นชเลถอนใจยาวพวกเธอเนี่ยนะสงสัยถูกออกแบบมาให้เป็นคุณนายจริงๆวันวั น, วนคิดแต่จะใช้ผู้ชายแน่นอนใบห ย, ยกรับหน้าตาเฉยต่อไปใครมาขอฉันแต่งงานฉันจะสอบสัมภาษณ์ก่อนแหละว่าเงินเดือนเท่าไหร่ซักผ้าถูกบ้านเป็นหรือเปล่าแล้วก็จับเส้นเก่งเท่าหมอนวดวัดโพไหมถ้าคุณสมบัติหลักๆครบถ้วนค่อยพิจารณาปาเจราหัวราฮือ กะใช้ครบวงจรเป็นหุ่นกระป๋องเลยนะเธอพอพวกเราแยกย้ายกันอายุสักส0สนัดกินข้าวเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องมันๆในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาฉันว่าเธอคงจอยจอยเรื่องขี่คอพ่อบ้านมากกว่าใครนะ่เชะเลฟังแล้วอดหัวเราะไม่ได้สมัยนี้ผู้ชายไม่ให้ขี่คอนานหรอกสองเดือนเขาก็บายบายอือก็อาจจะจริงคนยุคเราความอดทนต่านะ ดูแววแล้วคงไม่มีใครทนชั้นได้สักะกคนไม่แน่นะพอเราเรียนจบอาจถึงยุคที่ไม่มีใครแต่งงานกันเลยปาเจราให้ความเห็นอ่านจากที่เขาวิจัยเห็นว่าแนวโน้มคนรุ่นใหม่สมัครใจสร้างครอบครัวหรือคิดมีพันธะกันน้อยลงเรื่อยๆจะให้ทนรสจืดชืดหลายๆสิบปีเหมือนคนรุ่นเก่าในยากฟันกันชั่วเดียวก็แทบเบื่อขี้หน้าทันทีแล้ว นัชเลมองเพื่อนสาวขมวดคิ้วส่งแววตำหนิพูดจาเหมือนผู้หญิงมั่งได้ไหมเธอนี่ปาเจราทำปากยื่นฉันไม่ได้ถูกอบรมมาให้เป็นกุณสตรีไทยสมัยนุ่งจุงกระเบนเหมือนหล่อนนี่ยะเกิดมาก็เห็นตัวเองนุ่งกเกงยีนใส่เสื้อเอวลอยอย่างนี้แล้วเออหนี่ทายเอาขนมมากระแทกปากแขกเรือหน่อยดิจะหยิบเองก็เกรงใจไม่รู้ว่าเธออยากเก็บอะไรไว้กินเองบ้าง จะมากไปหน่อยแล้วมั้งรายงานก็ให้ฉันนั่งลักขดลังแข็งทำคนเดียวหิวขึ้นมาก็ใช้กันดื้อๆอีกทั้งๆที่ตู้เย็นก็ตั้งอยู่นั่นเห็นฉันเป็นอะไรน้อยทำคนเดียวก่อนวันนี้ฉันทำตั้งเท่าไหร่มาหาว่าเขามือไม่พายเอาเท้าราน้ำถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะน้ะเลนเหลือไปเห็นเพื่อนสาวลอยหน้ารอยตากวนโมโหแล้วอดหัวเราะไม่ได้ฉันคงทกากรรมมาเอาเถอะ ถูกพวกเธอเอารัดเอาเปรียบอีกไม่นานแยกย้ายเข้ามาหาไลก็หมดเวรชั้นสักทีแล้วปาเจราทำหูทวนลมโยนกระตูนทิ้งแล้วกลือกลิ้งตัวไปมาบนเตียงนอนเพื่อนอย่างสุกกายสบายใจหยุดมองหน้าตุก๊กตาหมูแล้วบีบจมูกมันเล่นภาคหนึ่งก่อนเหลือบซ้ายแลขวาเห็นเวอร์ชันเทนซึ่งเป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ยอดนิยมบนโต๊ะหัวเตียงก็หยิบขึ้มานอนกลางอ่านอ่านได้ครู่เดียวก็ร้องลั่น หว้ Why? มีสกูปพิเศษเกี่ยวกับแฮกเกอร์ด้วยหาข้อมูลไว้แสดงว่าเตรียมตัวจะเป็นแฟนแฮกเกอร์เต็มที่นัชเลเหลือกตามองเพดานด้วยความอ่อนใจอย่าพูดชุยๆหนะ้าฉันรับเวอร์ชั่นเทนอยู่ทุกเดือนบังเอิญเดือนนี้มีสกูปนั่นปาเจราอมยิม้มกวาดสายตาอ่านอยู่อึดใจหนึ่งกเ็เปรยเขาว่าสายตาของแฮกเกอร์เก่งๆจะเห็นโลกต่างจากคนธรรมดานะ คือมองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นนอกจากคอมพิวเตอร์ฮะตอนนี้มีแฮกเกอร์คนหนึ่งมองเห็นทรายเขาอาจจะกําลังหาพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าหัวใจทรายอยู่ก็ได้บยกเล่นเกมจบจึงหันหน้ามาช่วยเสริมฉันก็เคยได้ยินมาว่าไม่มีอะไรดึงดูดใจแฮกเกอร์ได้มากกว่ารหัสผ่านหลอกพอๆกับที่ไม่มีอะไรดึงดูดใจโจรได้เท่ากุญแจผีฉะนั้นรู้ตัวไวาา้ซะหน้าซรา เธอกำลังจะถูกขโมยหัวใจปาเจราอ่านข้ามไปข้ามมาแล้วเจอย่อหน้าสะดุดตามีเกรดจี้ด้วยพวกโปรแกรมเมอร์มักจะตั้งชื่องานชิ้นโบแดงจากอะไรรู้ไหมโปรแกรมเมอร์อายุต่ำกว่า30จะใช้ชื่อแฟนโปรแกรมเมอร์อายุ3 0มสถึงห้จะใช้ชื่อเล่าที่ชอบส่วนโปรแกรมเมอร์อายุเกิน50จะใช้ชื่อโรคที่ตัวเองกำลังเป็นฮ่าฮเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะเป็นแฟนแฮกเกอร์นะ่ะ อีกหน่อยชื่อไซายอาจเป็นอัปมงคลก็ได้ถ้าเขาคิดจะปล่อยไวรัสขึ้นมาเวลาทางการสืบหาร่องรอยก็อาจใช้ชื่อไซายนี่แหละเป็นคีย์สำคัญมองโลกในแง่ดีหน่อยสิยะปาเจราช่วยคานยิ้มๆเขาอาจสร้างระบบปฏิบัติการฟรีที่ปลอดบัค 100% ซแจกจ่ายไปทั่วโลกฝรั่งมังค่าอาจต้องอ่านชื่อเวอร์ชันแรกกันง ง, ง, งว่าแนชเชเล่หรือ นาชชเลกันแน่แต่ที่ชัวคือชื่อยายทรายจะได้ติดปากไปทั่วทุกมุมโลกก็คราวนี้เองใบยกหัวราอนิดนิดความจริงแฮกเกอร์เก่งๆ ก, ก็หายากนะนับว่าแจ็คพอตมากที่ทรายมีกิ๊กเป็นเซียนนาชชเลปั้นหน้าเฉยเพื่อนอยากพูดอะไรก็ปล่อยให้พูดไปปาเจรากวาดตาอ่านเนื้อหาของสกูป๊ปและอเผอิญเจอสาเหตุที่ทาให้ปัจจุบันมีแฮกเกอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย จึงรายงานใบยกต่อไปอาจหาไม่ยากเท่าไหรนะยกระบบปฏิบัติการแจกฟรีและเปิดเผยโค้ดต่อสาธารณะอย่างลีนุกนะ่ะมีส่วนทำให้แฮกเกอร์รุ่นใหม่ระบาดเป็นดอกเห็ดเจอมือดีได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะเธอว้าวทุกนาทีมีแฮกเกอร์เจาะ ร, ระบบสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งรายฉเฉลี่ย ว, วันละหน0ระบบเชียวนะที่อยู่มัดเซียนพวกนี้ ลองนึกดูซิว่าถ้าหนึ่งในพันห้าที่ว่านั่นเป็นสถาบันการเงินการธนาคารคนเจาะไข่แดงสำเร็จจะรวยเละขนาดไหนการรายงานของปาเจราทำให้ใบยกนึกสงสัยเออเนอะกิ๊กเธอแหละไซเก่งขนาดเอารูปเข้าๆออกๆเว็บติดลมได้เรากับเป็นเจ้าของเสียเองอย่างนี้เขาไม่แฮกที่อื่นมาจนพรุนแล้วเหรอใครจะรู้ว่าเขาทาอะไรได้บ้างแล้วก็ทาอะไรมาบ้าง อาจแฮกจนรวยอร่อยเหาะไปแล้วมัง้งไม่มัง้งนักะเลอ้อมแอมแก้ตัวให้เพื่อนหนุ่มคงแฮกเล่นสนุกสนุกราษาวัยรุ่นร้อนวิชามากกว่าถ้าทางเขาก็ขอเงินพ่อแม่กินแบบพวกเรานี่แหละผ้าคริวห่อทองไงเธอเซียนเหยียบเมฆที่รวยจากการแฮกชาวบ้านเนี่ยนะได้ยินว่าไม่อวดมั่งอวดมีสุมสี่สุมห้าหรอกเพราะถ้าเมื่อไรกลายเป็นผู้ต้องสงสัยให้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ขึ้นมามันจะมีพิรุษ เช่นการใช้เงินไม่สมฐานะแล้วก็อาจถูกจับได้ไม่ยากลองใจดูสิยั่วๆให้เขาหลงหัวปากหัวปำแล้วขอกระเป๋าแพงๆสักใบดูสิเขาจะซื้อให้ไหมถ้าซื้อก็ยั่วอีกขอของแพงๆอีกติดกันทีๆได้นะ่ะเชื่อขนมกินเลยเธอตานี่รวยแน่ไปกันใหญ่แล้วนัชเลจุปากจิกจักท่าทางจะดูหนังฮอลลีวูดมากฉันสนใจคอมมากกว่าพวกเธอ ฉะนั้นให้ฉันเป็นคนบอกข้อมูลที่แท้จริงดีกว่าที่จะรวยทางลัดจากการงัดแงะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดหรอกนะถึงจะงัดประตูเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีประตูให้งัดเสียอย่างก็เปิดประตูไม่ได้หรอกทำเป็นคุยว่ารู้ดีใบยกย่นจมูกถ้าเธอเก่งจริงทำไมต้องพึ่งพาเขาใหเอารูปเข้าๆออก ๆ, ออกๆจากเว็บติดลมยะเธอพึ่งพาเขาก็แปลว่า เขารู้อะไรที่เธอไม่รู้และถ้าเธอรู้ไม่ทั่วถึงทำไมถึงกล้ายืดอกบอกว่าไม่มีทางและเขาไม่เคยทำน้ะเลกะพริบตาปริบๆความสงสัยในเพื่อนเก่าผู้มีวีรกรรมหน้าเกรงขามก่อตัวขึ้นอีกครั้งเขาเป็นเพื่อนหล่อนจึงทำคุณกับหล่อนชนิดที่เหลือเชื่อว่าใครจะสามารถทำแล้วถ้าเป็นศัตรูของเขาล่ะเขาจะทำอะไรบ้าง จะก่อกรรมทำเข็นมาหรือไม่คงไม่สําคัญสําคัญที่เมื่อหล่อนทราบแก่ใจว่าเขาเป็นแฮกเกอร์สามารถเข้านอกออกในที่โน้นที่นี่ได้เรากับทุกเหตุบนอินเทอร์เน็ตเป็นอาณาจักรส่วนตัวของเขาผลกรรมทันตาคือได้รับความกังขาความคลางแคลงความระแวงระวังแม้จากหล่อนซึ่งเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งแล้ว